มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปัญจมวักณนะจะสังกมติปฏิสันทหณะปัญหาที่ห้า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 พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริ์ว่าโยมอรัธนาขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งกว่านี้พระนาคเษนมีเถระวาจาถวายพระพร อ, อุปมาวา่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารดุจิ์ไปเรียนเลขและวิชาในสำนักอาจารย์เลขและวิชาก็ไม่ได้ยางพ้นจากอาจารย์ชั้นใดก็ดี